คนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธเรื่องบุญนี่เหมือนกับลมหายใจเลยชาวพุทธเรานะก็ถือว่าบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำเพ็ญแล้วก็สะสมตื่นเช้าขึ้นมาก็รอใส่บาตรนะใส่บาตรเสร็จนะก็ยาจะทำบุญ ต่างๆเท่าที่มีโอกาสแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักนะว่าบุญเนี่ยที่แท้นี่คืออะไรส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยบุญจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการถวายทานแล้วก็ต้องเจาะจงที่ถวายกับพระสงฆ์หรือว่าบริจาคให้ทางวัดตที่จริง บุญนี้ไม่ต้องใช้เงินนี่ก็บำเพ็ญได้นะอย่างเช่นการรักษาศีลการทำความดีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะเราช่วยเขาเราก็ได้บุญการที่เรามาจเจริญสติทมสมาธิภาวนา อันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะวพวกเรานี่ถ้าเกิดว่ามาเจริญสติทำสมาธิภาวนาที่นี่นะตั้งแต่เช้าจดเย็นหรือว่าอาจจะมาได้หลายวันแ ล, แล้วเราก็ใช้เวลาสำหรับการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญหลายได้บุญเยอะนะ นี่ได้บุญแล้วนี่จะไปทำอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอทำบุญหรือคิดว่าสะสมบุญได้เยอะแล้วก็อยากจะเอาบุญนั่นแหละนะไปอวยอำนวยให้เกิดโชคลาภความมั่งมีสีสุขอันนี้เราเห็นได้ทั่วไปเวลามาทำบุญ นะพอมั่นใจว่าโอ้ได้บุญหลายแล้วเนะี่ยอ่ะก็ก็อยากจะให้บุญนั้นเนี่ยนะไปอำนวยให้เกิดนะโชคลาภให้เกิดความมั่งมีแต่ที่จริงบุญเนี่ยนะสามารถจะให้กับเราได้มากกว่านี้เยอะเลยนะส่วนใหญ่นี่ใช้บุญกันไม่เป็นได้ไมาแล้วก็นะ เอาไปใช้ในสิ่งที่มันมีคุณค่าน้อยที่ริงบุญเนี่ยจะให้สามารถจะให้อะไรกับเราได้ยิ่งกว่าความมั่งมีะโชคลาภซะอีกอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะวดน้ำตอนเย็นนะก็จะมีประโยชน์นบอกว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำนะตรง พรานได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจให้มาลายสิ้นไปจากสันดานอันนี้สำคัญมากเลยนะด้วยบุญนี้ที่เราทำเนี่ยนะนะไม่ใช่ขอให้ร่ำรวยขอใหอ้มีโชคมีลาบก็ให้ได้พบความสำเร็จแต่ว่าบุญสามารถจะอำนวยให้เราเนี่ยนะได้ทำหรือได้สำเร็จสิ่งที่ประเสบกันนั้น ก็คือช่วยนะในการขัดเกลากิเลสอย่างที่ท่านใช้คําว่าเนี่ยเราพรันได้ซึ่งการตัดตัวตนเอาอุปาทานไอการตัดตนเอาอุปาทานนี่นะนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะว่าถ้าตนเอาอุปาทานลดน้อยถอยลงเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขความสงบเย็นนะซึ่งเงินนะชื่อเสียงอํานาจนี่ มันไม่สามารถจะให้ได้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ไม่มีความสงบใจนี่ก็เยอะนะยกแต่ความสงบใจเลยแค่นอนให้หลับนี่บางคนก็นอนไม่ค่อยหลับนะต้องกินยาจิตใจก็ว้าวุ่นนะรุ่มร้อนด้วยความอยากบางคนก็พยายามที่จ ะ, ะหลบลี้ไปอย่างที่ไก ล, ไกล สัญญาณโทรสับไปไม่ถึงจะได้เกิดความสงบใจแต่ว่าตราบใดที่ยังรักษาใจไม่เป็นนะยังมีความอยากยังมีตัณหาอุปาทานนี้มันก็ไปสร้างความรุ่มร้อนนะให้แก่ติดใจของเขาแม้จะอยู่ในป่านะอยู่ในที่ดิดเลนไกลแสงไกลเพียงใดก็ตามคนเราเนี่ยถ้าเราใช้บุญให้เป็นนะ มันสามารถจะนำมาสึ่สิ่งที่ประเสริฐอย่างบทกรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยพิจารณาต่อไปนะท่านก็บอกว่าเนี่ยนะโดยอนิภานของบุญนี่แหละนะก็ขอให้มีจิตตรงและสติพร้อมทั้งปัญญาประเสริฐนะและความเพ ล, เลิดนะเป็นเครื่องขูดกิเลสหายผู้นี้ดีทั้งนั้นเลยนะมีจิตตรงเนี่ย ตรงนี่คือตรงตามธรรมหรือตรงตามความเป็นจริงนะจิตที่มันทํ า, าไปขวางกระแสแห่งความเป็นจริงนะมันมีแต่จะทุกข์นะเช่นไปยึดให้มันเที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายนี้นะหรือไปยึดทรัพย์สมบัตินะว่ามันจะต้องคงอยู่กับเราไปตลอดไม่มีเสื่อมไม่มีศูนย์ไม่มีเสียคนที่เราลักนี่ จะต้องอยู่กับเราไปช่วนนิดนิดรันด์อันนี้เรียว่าเป็นการวางจิตที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะเพราะความเป็นจริงก็คือความไม่เที่ยงนะแม้แต่อยากให้ร่างกายนี้ปเป็นสุขก็มันก็ไม่ตรงแล้วลนะ่ะเพราะว่าร่างกายนี้ถึงเวลานี้มันก็ทุกขนะ์นะทุกข์พาหิวนะพอหิวก็กิกนกินเยอะก็จบนะก็ทุกข์อีก กินเสร็จอ่สักสามสีชั่วโมงนะมันก็ปวดท้องนะพอมีของเสียที่ต้องระบายถ่ายเททุกทั้งนั้นแหละนะแม้แต่เวลาที่เราพักผ่อนเช่นนอนหลับมันก็ยังกลิ้งไปกลิ้งมาดิ้นไปดิ้นมาพอนอนไปนานๆมก็เมื่อยไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบทใดอยู่ในท่าไหนที่เราคิดว่าสบายที่สุด นะเช่นนั่งนะหรือว่าพิงเสาหรือว่าไขว่ห้างนะหรือว่านอนตะแคงนะหรือว่านอนหงายนะทำไปได้สักพักนะสองสามชั่วโมงก็เมื่อยแล้วล่ะบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำอันนี้เรียกว่าทุกเนี่ยมันอยู่ประจำร่างกายนี้จะให้มันสุขไปตลอดนี้เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เลย นะจิตตรงเนี่ยคืออันนีนะ้มีสติและปัญญาอันประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลส่ายเนะี่ยคนเรานี่ถ้ากิเลสมาลดน้อยถอยลงนะมันก็จะมีแต่ความสงบเย็นนะที่เงินชื่อเสียงและอำนาจนี่ซื้อไม่ได้หาไม่ได้นะมีเส้นมีสายแค่ไหนนะมันก็ไม่ช่วยทำให้ ถ้นะมีความสงบใจขึ้นมาได้แต่จะสงบได้เพราะกิเลสเนนะีมันเบาบางนะตัณหาการทานก็เหมือนกันนะมันก็เป็นชื่อเดียวกันนะความหมายใกล้เคียงกันง่ายเราระหจักใช้บุญให้เป็นนะใช้บุญให้เป็นถ้าใช้บุญไม่เป็นนะมันก็ได้แต่ของต่ำๆนะแต่ถ้าเราใช้บุญให้เป็นหรือว่าปรารถนาให้อานิสงส์แห่งบุญนั้นได้อวยให้เกิด คุณภาพทางจิต ท, ที่ประเสริฐนะเช่นสติปัญญานะวิริยะนะสําหรับขูดนะกิเลสลดลาตาเหวิปทานเราตั้งจิตแบบนี้จะดีกว่านะตั้งจิตแบบนี้มาถึงเป็นจุดหมายของชีวิตนะจุดหมายของชีวิตนี่สาวชาวพูดเนี่ยนะนะไม่ใช่ร่ํารวยไม่ใช่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งประสบความสําเร็จ ในการงานด้วยซ้ำเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของโชคราภไม่ยั่งยืนคนที่ประสบความสำเร็จในการงานนะเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็พบว่าไอ้สิ่งที่เขาเคิดเป็นความสำเร็จเนี่ยนะมันกลายเป็นความล้มเหลวไปก็มนะีนักสร้างหนังบางคนน่ที่เขาภูมิใจกับผลงานของเขาได้รางวัล มาหลายรางวัลนนะรู้สึกว่าโอหนังของกูนี่เจ๋งนะกูแน่พอผ่านไปครับสองสามปีกลับมาดูหมยโอ้รู้สึกอายนะว่าโอ้เราสร้างหนังแบบนี้ได้ยังไงนะมันมีข้อบกพร่องเต็มไปหมดเลยใครที่เคยภาคภูมิใจเนี่ยมันเกมันกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่ภูมิใจแล้ว ไอ้ที่คิดว่าเป็นความสำเร็จมันกลายเป็นความไม่เข้าท่าหรือความล้มเหลวไปก็มีอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทําสำเร็จปประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆนะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทำยังไงทำยังไงก็ไม่สาเร็จบริษัทใหญ่ๆที่นะทีนะ่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนะร่ำรวยมั่งมีนะเป็นร้อยล้านพันล้าน มาถึงวันนี้ล้มละลายปิดบริษัทไปก็เยอะนะเพราะว่าไม่สามารถจะทำให้สำเร็จเหมือนเมื่อก่อนได้นะหนังสือพิมพ์ชื่อดังนะในเมืองไทยอิตยิสารหลายฉบับที่เคยได้รับความสำเร็จนะปิดตัวไปตั้งเยอะแยะเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่อ่านละแต่ก่อนเนี่ยนะ เราเคยเห็นเด็กขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกนะเดี๋ยวนี้มีไหมเด็กขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกไม่มีแล้วในกรุงเทพหายไปอย่างที่ไม่นึกไม่ฝันนะไทยรัฐดีลีนูเดีวนี้ก็ย่อยก็ตกลงไปเรื่อยๆจนต้องต้องมาเอาดีทางโทรทัศน์ดิจิตอลตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าทําไงจึงจะรักษาสภาพไม่ให้ ย่ำแย่ไปกว่า น, นี้อันนี้เรียกว่าแม้กระทั่งความสําเร็จมันก็ไม่เที่ยงนะวันนี้สําเร็จไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสําเร็จอันนี้เป็นธรรมดาของโลกนะดังนั้นถ้าเราไปหวังนะไปหวังว่าขอให้ร่ํารวยขอให้มีชื่อเสียงขอให้ความสําเร็จเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราหวังต่ําไปนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงนะ คามเสื่อแท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อนะจิตใจเรามีคุณภาพนะกิเลสมันลดน้อยถอยลงตัณหาอุปทานนะมันเบาบางตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยึดนะพออยากแล้วมันก็ยึดนะมันไปด้วยกันนะพออยากปุ๊บมันก็ยึดเลยให้พวกเนี้มันที่บังความทุกข์นะ ถ้าเราอยากจะมีความสุขความสงบนะในชีวิตยอย่างแท้จริงนะก็ต้องหวังว่าเรานะจะทำให้ความตันเทาประทานหรือกิเลสพวกนี้มันลดลงความยึดความอยากมันเบาบางลงนะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากการไปวิงวอนร้องขอนะ แต่มันต้องเกิดขึ้นจากการกระทำํำนะการกระทํามันก็ทําได้หลายอย่างนะแม้แต่การให้ทานเนี่ยนะถ้าเราให้ทานเป็นนะมันก็ช่วยลดนะตัณหาอุปทานลดกิเลสไปได้เยอะนะเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันก็เป็น การช่วยลดความมีแก่ตัวธรรมชาติคนลามก็มักจะยึดในทรัพย์ยึดในสิ่งของถ้าเราให้ทานเป็นเนี่ยนะมันก็จะช่วยลดความมีแก่ตัวความยึดในสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยให้ทานเนี่ยไม่ได้เพื่อจะละแต่เพื่อจะเอานะอยากจะได้โชคได้ลาภให้สิบอยากได้ร้อยให้ร้ออยากได้ล้านนะ อันนี้เรียกว่ามันไม่ได้ลดกิเลสลดตันหาอุปาทานเลยถ้าเราให้ทานเป็นเนี่ยนะกิเลสมันก็ลดน้อยถอยลงนะเช่นเดียวกันการรักษาศีลซึ่งก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปมันก็ช่วยลดนะช่วยละได้นะลดละโลภลดละโทสะนะอย่างนั้นอยก็สองอย่างละศีลห้านี่ย นะพราะเวลาเรามีความโลภเราไม่ทําตามความโลภอยากได้จนถึงอยากขโมยแต่เราไม่ทำเนี่ยมันก็ช่วยลดโลภภาพไปได้พอสมควรอยากทําร้ายแต่ไม่ทํหาหักห้ามใจไว้ได้มันก็ช่วยลดโทสะนะการที่ไม่กินเหล้ามันก็ช่วยลดโมหะไปได้เยอะหรือไม่เพิ่มโมหาห้มากขึ้น แต่ถ้ารักษาศีลไม่เป็ น, ม, นมันก็จะเพิ่มนะกิเลสนะว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีศีล น, นะแกะไม่มีศีลแกกินเหล้าแกสูบบุหรีนะ่อันนี้เรียกว่าเกิดกิเลสขึ้นแล้วนะกิเลสที่ชื่อว่ามาะนะมานะคือความถือตัวยกตนข่มท่านนะรังเกียจ ด, ดียดฉันอันนีนะ้เป็นตัวมานะ อ่ยิ่งถ้าเรานะไม่ใช่แค่ให้ทานรักษาสีแต่เรามาเจริญภาวนานีาเจริญสติอันนี้สําคัญมากเลยนะสิ่งชั่วในดวงใจเนะี่ยมันจะมาลายชื่นไปจากสันดาลอย่างที่เราได้สวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะ <c oughs> ก็เพราะเราได้เจริญภาวนาในะอย่างจริงจังอย่างที่เราสวดวันนี้ขอหมู่บ้านอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญตั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินนะถ้าไม่อยากให้มารเนี่ยมันเข้ามา นาครอบงำเล่งงานจิตใจนะมันก็ต้องมีเครื่องรักษาใจนะจะไปขอหรือจะไปวิงวอนอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องลงมือทำด้วยรักษาใจด้วยนะรักษาใจด้วยสติและปัญญามาเนี่ยนะมันจะเข้ม า, ขามาครอบงำใจได้ก็เมื่อเราหลงเราลืมตัวนะเช่นเดียวความทุกข์ทั้งมวลนะนะถ้าเป็นความทุกข์ใจเนี่ย มแลแล้วเกิดขึ้นมาจากการที่เราเผลอเราลืมตัวไม่มีสตินั่นเองนะมันเข้ามาสู่ใจของเรานะเหมือนกับศัตรูที่สามารถที่จะบุกทะลวงเข้าไปในเมืองได้จิตใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับเมืองนะหรือว่านักคอนชื่อว่าจิตตนาครนะเมืองเนี่ยนะมีกําแพงแน่นหนา แต่ทุกเมืองก็ต้องมีประตูนะประตูเข้าประตูออกนะประตูนี่มันเป็นสิ่งที่นำความสุขความเจริญมาสูนน่นครนะสินค้านะมันก็เข้ามาทางประตูเมืองแต่ในเรเดียวกันนะัตรูนะรวมทั้งภยัยอันตรายต่างๆเช่นนะโรคระบาดมันก็เข้ามาทางประตูเมืองนะประตูนี่เป็นทั้งนะ จุดแข็งและจุดอ่อนของเมืองถ้าทำไงจึงจะป้องกันไม่ให้ศัตรูมันเข้าไปในเมืองได้ก็ต้องมีทหารยามคอยเฝ้าประตูเมืองเอาไว้คอยตรวจตาจิตนครหรือจิตใจเราก็เหมือนกันนะจเป็นต้องมีสิ่งที่จะคอยรักษาใจไม่ให้มารนะกินเลสหรือว่าความทุกเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานสร้างความปนป่วน ให้กับจิตใจได้ทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของสตินะสติเนี่ยถ้าเรามีาสติดีนะให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยากเมื่ออาจะเป็นความโกรธนะม่ออาจจะเป็นความเกลียดความเศร้า ลองพิจารณาดูนะเวลาเราเศร้าเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเราผลคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตรหรือเปล่าเหตุการณ์ในอดีตความสูญเสียนึกถึงพ่อแม่นึกถึงลูกคนรักที่ตายจากไปนึกถึงทรัพย์สมบัติที่นะถูกยึดหรือว่าสูญเสียไปหรือบางทีถูกโกงนะมันนึกทีไรก็เสียใจนะบางทีโกรธด้วยนะ อาจจะไม่ได้โกรธใครโกรธตัวเองว่าเผลอพลาดได้อย่างไรให้เขาโกงให้เขาหลอกไปได้บางทีมก็โกรธเพราะไปนึกถึงความคำพูดการกระทาที่ไม่ดีนะที่เพื่อนคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานสาใสายระบายให้กับเราเขาด่าเราเขานึกถึงทีไรก็โกรธทุกทีโกแล้วทำไมยังนึกถึงนะก็เพราะไม่รู้ตัว ที่จึงมันไม่รู้ตรวตัต้งแต่ตอนที่เป็นนึกแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแต่ใจแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็ไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นบางทีก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นก็ทุกข์แล้วจะมีแม่คนหนึ่งนะแกก็รักลูกสาวมากเวลาลูกสาวไปไหนเนี่ยแกก็บังคับให้นั่งรถ แต่มีวันหนึ่งนะลูกสาวเนี่ยนะมีธุระด่วนรถก็ไม่ว่างเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระแม่นี่พอลูกขาวนี้วิตกกังวลมากนะแล้วลูกก็ไปยาวด้วยนะไปนานติดต่อไม่ได้กว่าลูกจะกลับมานี่ก็บ่ายแม่นี่ร้อนใจนี่ ตลอดทั้งเช้าเลยพอรู้ว่าลูกกลับมาปลอดภัยสบายใจก็กลายเป็นว่าทุกฟรีๆนะทุกฟรีๆไป3มชั่วโมงแต่บางคนทุกฟรีนี่เป็นวันนะลูกจะสอบเข้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกนะสอบเข้าคณะที่ดี จัก็ไม่แน่ใจว่าลูกจะสอบได้ไหมแ้วก็ทุกเป็นเดือนนะลูกสอบแล้วก็ยังเป็นทุกยังเป็นห่วงยังกังวลนะกว่าจะรู้ผลสอบว่าสอบได้นะนะพ่อแม่ก็ทุกไป ฟ, ฟรีๆเป็นเดือนอันนี้เพราะอะพอไปวิตกไปกังวลนะถ้าถามว่าวิตกและกังวล มันช่วยอะไรได้ไหมมันช่วยไม่ได้นะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแต่พอคิดไปล่วงหน้าแล้วนะคิดไปว่าถ้าเขาสอบไม่ได้จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความเผลอนะ ท, นนทั้งทีนะ่เวลาทำงานใจก็ควรอยู่กับงานแต่มันก็เผลอคิดนะไปถึงนะผลสอบของลูกนะเวลาจะนอนมันก็คิด นะเวลาจะกินมันก็คิดแม้ทั้งเรลาไปเที่ยวอยยังคิดแล้วก็กังวลไปเที่ยวก็วกกมไกม่สนุกกินนั่นแหละก็แม่อร่อยกว่าจะรั่วทุกฟรีๆนะมันก็ผ่านไปเป็นเดือนอันนี้เราไม่มีสตินะยวงไม่ต้องพูดถึงว่าพอมีความทุกข์เช่นความโกรธความเศร้านะความวิตกความหนักใจแล้วก็ไปแบกเอาไว้ ไปอุ้มมันเอาไว้ไปประคองมันเอาไว้ไปทนุกทนหนอมันเอาไว้แล้วคนเราเนี่ยนะไม่ได้หวงแหนเฉพาะลูกไม่ได้หวงแหนเฉพาะทรัพย์สมบัตินะไอความโกรธแล้วก็หวงแหนนะอยากจะรักษาความโกรธเอาไว้ให้มันอยู่นานๆเวลาโกรธใครก็กลัวว่าจะลืมโกรธเขาก็ต้องไปหาสิ่งมากระตุ้นเพื่อจะได้โกรธเขาได้เรื่อยๆบางทีเขียนชื่อเขาติดไว้นะที่ กระจกหรือข้างฝาเพื่อจะได้โกรธต่อไปนะเวลามีจะมีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเทิร์ดนะก็ไม่ยอมนะไม่ยอมให้อภัยเขาตอนนักที่การให้อภัยจะช่วยทาให้หายโกรธพบความสงบเย็นการที่ไม่ยอมให้อภัยเนี่ยแสดงว่าแสงห่วงแห่งความโกรธนะนะบางคนนี่ก็พยายามทรมานตัวเองเพื่อจะได้นะเตือนใจให้ถึงถึง ความไม่ดีนะที่เขาได้ทำกับเราในอดีตมันจะได้ไม่ลืมเวลาเศร้าก็เหมันกันนะหวงแหนงความเศร้านะเศร้าเพราะสูญเสียคนรักเศร้าเพราะสูญเสียทรัพย์นอนก็ไม่ยอมนอนเพื่อนจะชวนไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปถ้าทั้งที่ถ้าไปนะมันก็จะคลายความเศร้ามันก็จะลืมความเศร้าไปแต่ไม่ยอมไป ทำไมไม่ยอมไปเพราะว่าอยากจะจมอยู่กับความเศร้านะคนอกหักก็มีอาการแบบนี้แหละเหมือนกันคนที่สูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียลูกก็จะนั่งเจ้าจุกเ้าคิดว่าเนี่ยถ้าเขาเศร้าน้อยลงนะมันแสดงว่าเขาไม่รักผู้ที่จากไปคิดแบบนี้ก็มีนะแล้วมันเป็นยังไงพอเกิดขึ้นมันก็เผาใจ กดทับใจกรีดแทงใจบีคั้นใจไม่อยากทุกข์นะแต่ว่าก็ไปหล่อเลี้ยงความทุกข์เอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะอันนี้เรียกว่าเป็นพ่อพอะไรเพราะไม่มีสติมันเหมือนกับปล่อยให้ศัตรูเข้าไปในเมืองนะถ้านั้นไม่พอนะทั้งที่รู้ว่าศัตรูเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมปิดประตูเมือง ยังเปิดอาเพื่อให้ศัตรูนี่นะกรีธาทับเนี่ยเข้าไปถล่มไปสร้างความปั่นป่วนในมือให้มันหนักขึ้นอันนี้คือธรรมชาตินะของคนเรายามที่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากจะมีความสุขความสงบเย็นในจิตใจนะมันต้องรู้จัก เติมสติเข้าไปในใจให้มากๆหรือว่าเพิ่มพูนนะกำลังของสติให้มันมีพลังนะสตินะที่มีพลังที่มีอำนาจเนี่ยนะมันจะช่วยรักษาใจได้เป็นอย่างดีนะแม้ในยานที่เจ็บป่วยมันก็จะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยใจไม่ทุกข์ เวลามันปวดเวลามันเมื่อยหรือว่ามันมีความมันมีทุกขเวทนานะในร่างกายในอวัยวะที่มันป่วยนะเช่นกระเพาะนะหรือว่าปอดอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะแม้จะไม่สามารถจะระ ง, งับความปวดได้แต่ถ้ามีสติดีนะจิตมันก็จะไม่ไปยึดนะความปวดนะของกายมาเป็นความปวดของกู เวลาเราปวดนะหรือว่าอย่าว่าแต่ปวดแล้วเอาแค่เมื่อยก็พอสังเกตว่าใจนี่มันไปจดจ่อตรงที่ปวดที่เมื่อยแล้วพอใจไปจดจ่อที่ปวดที่เมื่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เมื่อยทั้งกายแล้วก็ทุกข์ทั้งใจอย่างนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะ้คนที่เขารักตัวเองจริงก็จะไม่ซ้ําเติมตัวเองเขาจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเอง เมื่อป่วยกายเขาก็จะจํากัดความปวดให้มันอยู่แค่กายจะไม่ให้ความปวดมันลามไปถึงใจแต่พ่อไม่มีสตินั่นแหละนะใจมันก็เลยไปตดจ่อที่ความปวดของกายแล้วมันก็เกิดความสวกกูปวดกูปวดขึ้นมาพอตอนนั้นจิตมันไปยึดแล้วว่าความปวดเป็นของกูให้ความปวดนี่น่าจะยึดเป็นของกูที่ไหนนะ แต่ใจมันก็จะ ย, ยึดนะว่าความปวดเป็นของกูเลยเกิดความรู้สึกว่ากูปวดกูปวดขึ้นมาถ้ามีสตินะมันเห็นความปวดนะมันไม่เป็นผู้ปวดมันจะไม่ยึดเอาความปวดเป็นของกูมันมีแต่จะปล่อยจะวางนะให้ความปวดนะมันเป็นของกายไปแต่ไม่ใช่เป็นของกูไอ แ, แบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะแต่เอาคนจริงๆก็ ไม่เคยไม่ค่อยมีใครทำอย่างนั้นนะแทนที่จะปล่อยให้ความปวดเป็นของกายไปก็ไปยึดนะว่าความปวดเป็นของกูแล้วใจก็ปวดเลยแล้วก็ตีโพยตีพายนะเวลาเสียทรัพนะแทนที่จะเสียแค่ทรัพก็ปล่อยให้ใจมันเสียกลุ่มอกกลุ่มใจเศร้าโศก แ, แทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียสอง นะเสียหนึ่งนี่อาจจะป้องกันได้ยากนะเพราะมันเป็นธรรมดาที่ไม่ว่าจะมีอะไรได้อะไรมานะไอสิ่งนั้นมันก็จะต้องศูนย์ไปเสียไปเป็นธรรมดาธรรมชาตินะแต่คนฉลาดเนี่ยมันจะเสียแค่หนึ่งนะไม่ยอมปล่อยให้เสียสองก็คือนะเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียน่าจะทางั้นได้ยังไงก็ต้องมีสตินะ เวลามันมีความเวลามันคิดถึงของที่เสียไป อ, อมีสติรู้ทันว่าใจเผลอคิดไปแล้วนะใจที่มีสตินี่มันจะวางนะให้สิ่งที่เสียไปแล้วก็จะวางไปไม่ไม่ไม่เก็บเอามาคิดหรือไม่ไปแบกมันหรือว่าพอเผลอคิดไปแล้วเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจเกิดความอะไรเอาวอนก็มีสติเห็นมีสติรู้ทัน อารมณ์รานั้นสติมันช่วยทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์นะที่เป็นอกุศลคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดนะหรือพูดถูกคือคนเราทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิด้ความคิดเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็คิดเรื่อยเปื่อยคิดไปในทางที่เป็นลบเป็นร้าย แต่ถ้าคิดลบคิดร้ายเราวยังรู้ทันนะแล้วก็วางมันลงได้นะาแบบนี้ไม่เป็นไรบางทีคนเราก็อดไม่ได้ที่จะนึกไปในทางลบทางร้ายนะเช่นเวลาป่วยก็อาจจะคิดว่าโอ้ยนี่เรานะจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะนะบางทีมันคิดไปในทางที่นะเลวร้ายไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีสตินะเราไม่เชื่อมันเราก็รู้มันเป็นแค่การคิด แต่ว่าเราไม่เชื่อมันแต่ถ้า ม, มีสตินะมันจะไปหลงคิดนะว่าเป็นความจริงมันไปเชื่อความคิดแล้วแล้วพอชื่อความคิดนี่แย่เลยมีคุณหมอปอเวศวิศิษเคยเล่านะสมัยที่ยังรับราชการอยู่ที่สิริราษฎร์ท่านเป็นหมออยู่แผนกโลหิตวันนึ่งมีคนไข้ามาเป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวซีดผอมแล้วก็ไม่มีแรง ไม่มีแรแม้กระทั่งเดินมาหาหมอต้องนอนเปลมาถ้าทางดูอาการหนักนะคุณหมอก็ดูอาการแล้วก็ซักถามคนไข้ซักพักก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านนะบอกว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะที่ซีดเนี่ยผอมก็เพราะมีพิษยาปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กนะนะก็จะหายวันหายคืน พูดจบ ก, ก็หันไปที่คนไข้คนไข้นี่ลุกขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็บอกหมอว่าหมอคุณหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปนี้แล้วล่วนะเข็นเป น, นะไปไปชิดผนังเลยเรียกแรงกลับมาเลยทั้งที่หมอไม่ทันให้ยาที่จริงมันน่าคำถามที่น่าสนใจก็กว่าคือว่า <c oughs> ทําไมนะแค่พยาธปากขอนี่จึงไม่มีแรงมาหาหมอ อันนี้แปลว่าเขาคิดไปนะเขาคิดว่าเขาว่าฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉันเป็นดีซ่าหรือเปล่าฉันเป็นโรคร้ายหรือเปล่าเป็นเอดไหมนะคิดไปคิดไปเรื่อยเปื่อยแลคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่พอนะไปหลงเชื่อความคิดก็เลยเชื่อตัวเองนี่เป็นโรคร้ายจริงๆพอเชื่อตัวเองเป็นโรคร้ายใจก็เสียพอใจเสียร่างกายก็สุดแต่พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรแค่พยาธ นะมันโล่งอกเลยนะเรยวแรงกลับมาเลยอันนี้เราว่าทุกเพราะความคิดนะหรือว่าทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธความร้อนรุม่มความวิตกกังวลเนี่ยนะอย่าลืมกลับมาดูใจของเรานะอย่างน้อยก็ให้รู้ทันอารมณ์เ่านั้นแล้วก็ถ้าดีก็ สาวไปจนถึงว่ามันเกิดอารมณ์นั้นเพราะอะไรเพราะใจมันไปอยู่กับอดีตใช่ไหมหรือเพราะใจมันไปกังวลกับอนาคตอารมณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันเกิดเพราะความคิดและถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาแลีคิดไม่เป็นเพราะอะไรเพราะใจไม่มีสติปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยความคิดนี่มันมีประโยชน์นะถ้าคิดเป็นแต่ถ้าคิดไม่เป็น หรือคิดไม่เป็นแล้วยังไม่รู้ทันความผิดอีกนี่แย่เลยคนที่ฆ่าตัวตายนะก็เพราะเหตุนี้แหละคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะก็เพราะเหตุนี้แหละนะคนที่เป็นโรคประสาทเป็นโรคความดันเพราะว่าโกรธนะเครียดก็เพราะเหตุนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารักตัวนะแล้กลัวทุกนะนะก็ ต้องสร้างสติให้มากนะเจริญสติให้มันมีพลังนะจนกระทั่งสามารถจะปกปกักรักษาใจไม่ให้ความทุกข์หรือว่ามาเนี่ยนะมันเข้ามาครอบ ง, งมจิตใจได้เอาละนะคข้ามนี้ก็เนเท่านี้ครับับ